เรื่องภิกษุนุ่งผ้าทำด้วยก้านดอกรักเป็นต้นต่อมาภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้าทำด้วยก้านดอกรักและนุ่งผ้าทำด้วยเปลือกปอแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคกรัสสรรเสริญความมักน้อยความสันโดษ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 โมคบุรุษชะไหนเธอได้นุ่งห่มผ้าเปลือกปอเล่าโมคบุรุษการทำอย่างดีมิได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสและครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุ ไม่พึงนุ่งห่มผ้าทำด้วยเปลือกปอรูปใดพึงนุ่งต้องอาบัดทุกกฎ